นี่คือรายการธรรมารัรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมาหานครไปยังเรืข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศหรือว่าถ้าท่านรับฟังจากทางอินเทอร์เน็ตหรือวาทางคลื่นสั้นก็มีแม่ข่ายจากที่กรุงเทพมาหานครอันเดียวกันนี้รายการธรรมารบรุณก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ในเวลาตีห้าถึงเวลาตีห้าครึง่ง จะเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่เราได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของธรรมะและในรูปแบบของรายการที่เราจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ เ, เพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในการเข้าใจธรรมะนี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับการที่งายของที่คว่ำอยู่หรือเปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็น สิ่งต่างๆได้ในการจัดรายการนี้เราก็จะนําเนื้อหาที่เอามาอธิบายก็จะมาจากคําสอนของพระผู้มีระภาคเป็นบุทธปัญญาลูปแบบรายการก็จะมีการสาาาักข์ฉานั่นคือการสนทนาธรรมในวันเสาร์อาทิตย์ในวันอื่นๆของสั ป, ปดาห์ก็จะมีเนื้อหาธรรมะที่นํามานําเสนอให้ในรูปแบบต่างๆซึ่งในวันศุกร์ ก็จะมีอาตมารพระไพบุญภิปุลโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาได้พูดคุยธรรมะในเรื่องต่างๆกับท่านผู้ฟังในวันพฤหัสเราก็จะมีพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอตนั่นะคือเรื่องที่นํามาเรียบเรียงเป็นพระสูตรตัดมาจากพระสูตรเรียบเรียงเป็นรุ่งเรื่องเป็นตอนสั้นๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายในวันพฤหัสเนี่ย ที่เรานําพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษณะมาเล่าให้ฟังนี่ก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเป็นพุทธวชนะที่เราจัดอย่างนี้เนี่ยในวันพฤหัสเพราะว่าจะได้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเนื้อหาที่เป็นพุทธวจนะล้ว น, วนเป็นวันหนึ่งที่เรามอบวันนี้ให้กับพระพุทธเจ้าเลยนะมีแต่คำของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะอธิบายน้อยมากแล้วก็เนื้อหาที่ยกมาเนี่ย เป็นพุทธวจนะล้วนๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นผลงานการแปลของท่านพุทธทาสซึ่งการแปลนี้ก็เป็นภาษาที่สละสลวยงดงามเข้าใจได้ง่ายด้วยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ตัดมาจากพระสูตรที่มาจากบาลีนะเป็นภาษาบาลีดั้งเดิมท่านพุทธทาสก็นําที่พระพุทธชา ต, ตรัสไว้เนี่ยพุทธวจนะเนี่ยที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะเท่านั้น นะจากพระสูตรต่างๆมารวบรวมเป็นเรื่องในหมวดเดียวกันนํามาไว้ที่เดียวกันเรื่องขันธ์หน้าไว้ที่ตรงนี้นะเรื่องอริยมรรคสมาธิติไว้ตรงนี้เรื่องสมาสังกัปปะไว้ตรงนี้รวบรวมมารวบรวมมาจากทุกๆส่วนใช้เวลาทําอยู่ประมาณ22ปีนะในการทําผลงานครั้งนี้แล้วก็ไม่ใช่ทําคนเดียวทําเป็นทีมงานนะพระองค์นี้กระไ่้คนนี้รับส่วนนี้ไปแปลออกมามากล่าบสํานวนกันนะใส่ชื่อเรื่องเรียบเรียง ก, กันมาเป็นเล่มใช้เวลา22ปี เนื้อหาที่มารวบรวมเนี่ยก็ยังไม่หมดทีเดียวจากที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเฉพาะพุทธวจนะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิด น, นึงว่าประมาณสัก 40% นตะที่เป็นพุทธวจนะตอนนั้นนี่ถ้าเรายังไม่รวมอัตถคถานะอัตถคถาเนี่ยก็แยกออกไปอยู่แล้วถ้ามีอัตถคถาทั้งหมดเ1เล่มหรือ92เล่มนี่แหละแต่ถ้าเอาส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกดั้งเดิมนะมีทั้งหมด35เล่ม ในสาเล่ม น, นี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นอตัตถคถาที่แฝงอยู่ในนี้เหมือนกันซึ่งก็เหลืออยู่ประมาณ40จากที่ประมาณการโดยท่านพุทธทาสมาแล้นท่านก็เลือกเอาเฉพาะที่4 0่ร์เนตรงี้ออกมาก็ยังไม่หมดด้วยซ้ำนะก็ยังเหลืออีกส่วนใหญ่เหลือมากกว่าครึ่งที่ท่านไม่ได้รวบรวมออกมาไว้ซึ่งผลงานการแปลตรงนี้ของท่านเนี่ยก็คือรวบรวมอยู่ในที่เราใช้กันคําว่าเป็นชุดหนังสือจากพระโอษฐ มีทั้งหมดห้าเล่มชุดหนังสือนี้ก็จะประกอบด้วยพุทธประวัติจากพระโอส์เป็นเรื่องพุทธประวัติที่พระองค์ได้ตรัสเล่าเองเกี่ยวกับประวัติของพระองค์เองเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องอริยสัจจากพระโอส์มีทั้งหมด2เล่มแล้วก็มีคุมทรัพย์จากพระโอสถซึ่งเป็นคําขนาบเป็นคําขนาบที่ขนาบพระภิกษุนี่แหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นคุมเป็นปฏิจจสมุปบาทจากพระโอส์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกวับปฏิจจสมุปบาท มา ร, ปปรวบรวมไว้ในเล่มเดียวกันเท่าที่ท่านพุทบรรดได้ ร, ปปรวบรวมไว้แปลเอาไว้เนี่ยก็เป็นผลงานการแปลที่เรียกว่าเป็นชิ้นเอกของท่านนะนะก็เลยได้เอาเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหนังสือชุดห้าเล่มนี้เป็นพุทธวจนะมาอ่านให้ฟังในวันเพื่อหัตจะมีเรื่องราว บ, บางอย่างด้วยที่ไม่ได้อยู่ใน5้าเล่มแต่ก็มาอ่านให้ฟังคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นพุทธวจนะอีกเหมือนกันทีนี้สิ่งที่เป็นพุทธวจนะตรงนี้ที่เอามาให้ฟังในวันเพื่อหัต เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั่นแหล ะ, อะพอได้ฟังแล้วเนี่ยฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็ขอให้ฟังไปก่อนอัตมาก็เหมือนกันในการฟังแรกๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับจำนวนภาษาคำศัพท์บ้างแต่พอฟังไปฟังไปเนี่ยก็จะค่อยๆ ค, คุ้นเคยแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งในลักษณะคําสอนของพระ พ, าศาศาพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ซึ่งทําให้เราเข้าใจได้ง่าย สับแสงอะไรต่างๆที่มีเป็นภาษาบาลีบ้างในการอ่านของอัตมา ก, ก็จะพยายามแปลให้เป็นภาษาที่ได้เข้าใจได้ง่ายทันทนะีรูปแบบของภาษาการยกอุปมาอุปไมย ก, ก็่อให้ท่านผฟังได้ฟังไปก่อนแล้วถ้ามีคําถามสงสัยใดๆนะมีข้อใดที่คิดว่าประทำแล้วจะทําให้ความสงสัยของตัวเองคลายลงไปได้มีความเข้าใจมากขึ้นก็ให้ถามไดนะ้ให้ส่งจะเป็นไปรษสเนียบัตรจดหมายามาได้ ในที่รายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิท ย, ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ที่ถนนพิพัวดีรังสิต เ, เขต ด, ดินแดงแขวงดินแดงกรุงเทพฯห0ึ่งหรือว่าถ้าสะดวกทางอีเมลก็เขียนกันเข้ามาอีเมลกันเข้ามาหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็เพีวธรรมะ com นําไปที่หน้าเพีวธรรมะแล้วก็จะมีที่ให้กรอกคําถามต่างๆอยู่คําถามต่างๆนั้นก็จะนํามากุยให้ฟังชี้แจงให้ทราบใน ช่วงของการสารกัจชาช่วงของการสารกัจชาก็จะเป็นการถามตอบเนี่ยโดยคุณเตือนใจสินธุบุนิกในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะใช้ในที่ในวันศุกร์นี่ พระสูตรที่คิดว่าถ้าอธิบายแล้วจะเข้าใจเพิ่มเตมิมมีอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านสงสัยก็จะนําพระสูตรนั้นมาอธิบายในวันศุกร์อย่างเช่นในวันนี้เนี่ยพระสูตรที่ได้ยกจะยกมาอธิบายให้ฟังในเรื่องที่จะยกมาอธิบายให้ฟังท่าผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยในการฟังพุทธวจชชาในวันที่ผ่านบานมาที่พระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบกับถ้ามีบุบคคลเนี่ยถูกไฟไหม้อยู่ถูกไฟไหม้ที่ผมหรือว่าที่ เสื้อผ้านะไฟกําลังลุกโคลงรงเลยบุ่นๆอยู่เนี่ยอยู่ที่ผมนะที่เสื้อผ้าเนี่ยก็าถามพระภิกษุว่าเอ๊ะบุคคลผู้นั้นเขาจะทํำยังไงควรจะทํำยังไงพระก็ตอบว่าอุยมันก็ต้องรีบดับไฟสิรีบดับไฟที่เสื้อผ้ารีบดับไฟที่ศีรษะนะเพราะว่าไม่งั้นตายแน่นอนพรพทธเจ้าก็บอกว่าอืมถ้าบุคคลนั้นเป็นบิ น, บนยุชนเนี่ยเขาควรจะรู้ว่าสิ่งที่เขาควรจะรีบทํา คือการรีบมารู้อริยสัจมากกว่าที่จะไปรีบดับไฟที่บนสีสันอาจามาอ่านครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกง ง, ง, งอาว่าทำไมไม่รีบดับไฟก่อนทําไมให้รีบมารู้อริยสัจก่อนซึ่งตรงนี้พระองค์ได้เคยอธิบายไว้ในพระสูตรอื่นๆแก็จะนำมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าเร า, เารู้อริยสัจคนที่รู้อริยสัจเป็นยังไงคนที่รู้ตามเฉพาะซึ่งอริยสัจ ต, ตามที่เป็นจริงเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นโสดาบันนะ คุณเป็นอริยะบุคคล ข, ขั้นแรกคือเป็นโซดาบันโซดาบันเป็นยังไงโซดาบันก็คือผู้ที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นชาติที่8มีเจดชาติมากสุดเกิดไม่อีกเนี่ยเจมาเจชาติอย่างมากและในแต่ละชาติเนี่ยก็เกิดอยู่ในมนุษย์หรือเป็นเทวดาเท่านั้นซึ่งในเจ็ดชาตินี้เนี่ยต่อให้คุณเนี่ยนะทำการมาไม่ดีถูกไฟไหม้ตัวเนี่ยไม่ผมไม่เสื้อผ้าตลอดทั้ง7ชาติเลยก็ได้การที่เราจะถูกไหม้อีกก็แค่7็ครั้ง อย่างมากที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยจะต้องไปเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดอีกเป็นอันเนกชาติแล้วถ้าเราถูกไฟไหม้ผมหรือไหม้หัวเนี่ยเราไม่ต้องทุกชาติก็ได้สิบชาติถูกไหม้ทีหนึ่งหรือว่านานๆถูกไหม้ทีหนึ่งก็ยังมีจํานวนมากกว่า7็ดครั้งอยู่ดีเพราะมันนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยเกิดอีกเป็นอันเนกชาติ พระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างนี้เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบว่าขอถ้าเราจะต้องมาเกิดอีกนับภพบนับชาไม่ถั่วเนี่ยการถูกไฟไหม้ผมการถูกไฟไหม้หวัวเนี่ยก็ยังมีอีกนับไม่ถั่วเนนะีมีอีกไปเรื่อยๆนับไม่ถั่วเลยทีเดียวแต่ถ้ารู้อริยสัจนะเป็นโสตบัญัตอย่างต่ำนะอย่างมากจุดครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงคุ้มกว่ากันมากที่เราจะมารีบรู้อริยสัจถ้าคุณสามารถทําช่วงวินาทีตรงนั้นเนี่ยให้รู้อริยสัจได้เป็นโสตบัญแม่มันจะคุ้มกว่่าาากกรทีจะต้้องมดับไไฟแลว็ป ต้องมาพบต้องมาดับไฟอีกนะับพบนับชาติไม่ท้วนอย่างนี้นี่คือจุดประสงค์ของพระสูตรนี้ที่พระเจ้าเนีอธิบายฝั่งอีกพระสูตรหนึ่งก็คือเรื่องที่ได้ทรงยกอุปมาอุปไมของสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยเน่เกิดเป็นอย่างอื่นมากกว่าหมู่มนุษย์เนี่ยมีมากนักเปรียบเที่ยวกับมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเดินไปตามทางเดินเนี่ยเป็นลูกหลังนี่นะ สมัยนั้นจำนนคนกรีกก็ยังคงไม่มีเอเดินไปแล้วก็ในฤดูแล้งเนี่ยเดินเดินไปในดินก็แห้งก็เลยเอานิ้วเนี่ยไปเกลี่ยดิ น, เ, นเกลี่ยเ็จฝุ่นขึ้นมานิดหน่อยเกลี่ยดินขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เล็บยาวมีเล็บสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันติดขึ้นมาก็คือฝุ่นนิดนิดหนึ่งที่ติดอยู่ตามซอกเล็บนะซึ่งสั้นอยู่พอแล้วเนี่ยติดอยู่ขึ้นมาเนยก็าถามพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าให้ลองตอบหน่อยซิว่า เศษฝุ่นที่ติดปลายเล็บเราเนี่ยกับพื้นแผ่นดินนี้ทั้งหมดเนี่ยอันไหนเป็นดินที่มากกว่ากันตามอย่างนี้พระพิสุทั้งหลายก็บอกโอ้ยดินนี่สิมันมากกว่าพื้นพื้นแผ่นดินพื้นปฐพีเนี่ยเป็นดินที่มีมากกว่ามากนักแต่ว่าฝุ่นนิดเดียวที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยไม่เท่าไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวพระเจ้าก็บอกว่านี่แหละนี่แหละนะคือจํานวนสัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยเท่านี้เอง อย่างอื่นที่เกิดไปสู่หมู่มนุษย์เนี่ยมีมากที่มันมีมากเนี่ยก็เพราะว่าพวกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่รู้อริยสัจสี4รู้อริยสัจร์4ในที่นี้เนี่ยบทเพ้นชนะตรงนี้ไม่เหมือนกับครั้งแรกแครั้งแรกเนี่ยหมายถึงว่ารู้เฉพาะตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นโสดาบันนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ย รู้อริยสัจ ท, ทั้ง4เท่านั้นเองรู้เฉยเฉยรู้เฉยเหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ต้องอยู่ในมรรคปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แคือมีศีลมีสมาธิเห็นการเกิดดับมีปัญญาอย่างนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคืออริยมรรคมีองค์แถ้าเธอปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะสิ่งที่เธอไปเนี่ยมีอยู่แค่มนุษย์เทวดานะเป็นพรหมจะไม่มีทางเกิดต่ำกว่ามนุษย์อีกเลยถ้าเราปฏิบัติอยู่ตามมรรค มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้แต่ถ้าเธอไม่รู้ไม่เห็นริยสัจ ส, สี่เนี่ยก็จะออกนอกมรรคละปายดาคนนู้นว่าคนนี้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารอะไรต่างๆทําไงผลที่ได้คืออะไรนู่นเลยนรกกาเนิดในสารเปรตวิสั ย, ยเป็นสถานที่ที่จองจําแล้วข้ามภพข้ามชาติยากมากที่จะออกมาคนมันจึงเกิดเป็นมนุษย์น้อยและหรื อ, รอในมนุษย์เราเองเราดูก็แล้วกันคนดีมีน้อย สัตว์ที่เอื้อเฟื้อมารดาบิดามีน้อยคนที่เอื้อเฟื้อเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยอย่างดีเนี่ยมีน้อยนคนที่ไม่เอื้อเฟื้อมีมากกว่าคนเอื้อเฟื้อสมณพราหมกก็มีน้อยคนไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมกก็มีมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้เรืรรร่องศีลไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตามอไรมักมีองค์แปดัญหามจึงเกิดอธิมาได้เคยคุยกับผู้วิพากษานะสองสาท่านก็ได้คุยประเด็นเรื่องธรรมะนี่แหละ ก็มีครั้งหนึ่งที่พูดถึงกันว่าถ้าทุกคนในประเทศหรือในโลกนี่นะปฏิบัติตามสี่ห้าเอาแค่สี่ห้าธรรมดาคดีความต่างๆในศาลเนี่ยจะลดลงถึง9 0้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเรื่องอาคารสถานที่งบประมาณอะไรต่างๆที่ต้องใช้ก็จะลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเอาง่ายๆเราอยู่ในมารกเนี่ยคือปฏิบัติตามศีนสมาธิ ป, ปัญญาที่ไปของเราเนี่ยก็จะเป็นแน่นอนน ะ, ะเป็นมนุษย์ เทวดาหรือว่าสิ่งที่สูงกว่าขึ้นไปถ้าจะมาเป็นสัตว์นรกเนี่ยยากมากถ้าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายืนอยู่อตามามรรคเพราะฉะนั้นจึงยกอุปมาอุปไมยตรงนี้แล้วอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกขึ้นมาในเรื่องของเศษฝุ่นติดปลายเล็บเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นบัตรปีทั้งหมดเนี่ยยังยกมาเปรียบเทียบกับความที่ความทุกข์ของโสดาบันเป็นยังไงก็คือมีครั้งหนึ่งก็ทําอย่างนี้เหมือนกัน นะเกี่ยร์ฝุ่นขึ้นมานิดหนึงติดปลายเล็บเราก็ถามพระภิกษุบอกว่าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระก็บอกโอ้ดินนี่สีมากกว่าพื้นเป็นดินนี้แต่ว่าฝุ่นติดปลายเล็บนี้น้อยนิดเดียวก็เอาไปเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบของความทุกข์ของโสดะบันความทุกข์ของโสดะบันนะโสดะบันเนี่ยเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่เห็นอริยสัจสีด้วยปัญญานะขั้นต้นเรียกว่าโสดะบันเป็นผู้ที่ไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นชาติที่8มีการเกิดเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี ความทุกข์ของโสดาบันที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วละได้แล้วเนี่ยเท่ากับพื้นปฐพีทั้งหมดส่วนความทุกข์ของโสดาบันที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับฝุ่นติดปลายเล็บตัวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่จะต้องมาเกิดอีกเป็นอเนกชาติเนี่ยแล้วมาทุกข์แล้วทุกข์อีกเกิดก็เจ็บแก่ก็เจ็บตายก็เจ็บเนี่ยเป็นหลายๆรอบเนี่ยนับไม่ถ้วนเนี่ยมันคือทวดเปรียบเทียบกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดแต่ของโสดาบันนี่อย่างมาก7ครั้งเจดชาติ เจ็ดครั้ง7ชาติเนี่ยก็เกิดก็เจ็บแก่ก็เจ็บตายก็เจ็บแค่ในเจ็ดรอบเป็นอย่างมากมากที่สุดละพบที่8ไม่มีพบที่7นี้จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าดีเลิศขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นสกัตาคามีนะคือผู้ที่จะต้องมาเกิดอีกแค่หนึ่ถึงสชาตินะเป็นเทวดาหรือมนุษย์เท่านั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นดีขึ้นไปอีกนนะัก็เป็นอนาคามีนะไปเกิดเป็นชั้นพรหมแล้วก็ปรินิพานที่พบนั้นเลย ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยต่อให้คุณมีความสุขในโลกมนุษย์มากเท่าไหร่เนี่ยไม่ป่วยเลยนะมันก็ต้องมีความแก่มีความตายที่ต้องพบเจอหรือว่าสุขภาพแข็งแรงตลอดนะไม่ป่วยไขย้ไม่มีอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวนั้นก็ต้องกินข้าวกินข้าวก็ต้องไปถ่ายทุกการถ่ายทุกนี่แหละก็เป็นทุกของคนที่อยู่ในโลกนะซึ่งเทวดาก็ไม่มีกันเขาไม่ต้องไปถ่ายทุกไปเข้าห้องน้ํา เพราะฉะนั้นการเป็นเทวดาเนี่ยก็มีความประเสริฐกว่าในเรื่องของความละเอียดของภพความเป็นสุขของแต่ละภพแต่ละภพนั้นหรือถ้าดีขึ้นไปอีกก็เป็นพระอรรณ์เลยนะปริญญนิพานในปัจจุบันไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนากายนี้ก็เพียงแค่แตกดับไปเป็นเรื่องของมันเพราะนี้ก็คือสําำรับการที่พุทเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าความทุกข์ส่วนที่สิ้นไปแล้วนี่มีมากกว่าถึงขนาดเปรียบเทียบไม่ได้ก็คือ ความทุกข์ของปุถุชนทั่วไปเนี่ยที่ยังไม่สามารถละกันเกิดได้ยังไม่เห็นอริยรสัจสี่ด้วยปัญญาที่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องมีความทุกข์เปรียบเทียบกับปืนป่ดนดินแต่ความทุกข์ของเรียนบุคคลขั้นต้ น, ตนเท่านั้นเองนะขั้นเริ่มแรกเลยพื้นฐานที่สุดน้อยที่สุดแล้วเนี่ยความทุกข์เขาก็น้อยเท่ากับฝุ่นติดปลายเล็บแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนที่ประเสริฐมากอสอนทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ เทวดายังต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการสอนพระองค์เนี่ยจึงยกตัวอย่างไว้หลายอย่างในเรื่องเดียวกันในเรื่องของความทุกข์ส่วนที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วของโซนบัณหรือความทุกข์ของปุถุชนธรรมดาทั่วไปเทียบกับที่ในพระสูตนี้เทียบกับพื้นบันดินทั้งหมดกับความทุกข์ของโซนบัณที่ยังเหลืออยูนย่น้อยนิดเดียวเท่ากับฝุ่นติดปลายเล็บในการยกตัวอย่างของพระองค์เนี่ยถ้าใช้ตัวอย่างซ้ำซํำๆไปเนี่ย คนก็จะเบื่อได้ใช่ไหมก็จึงมีการเอาอตัวอย่างใหม่ๆขึ้นมาอุปมาอื่นๆขึ้นมาใช้สอนอยู่ตั้ง45ปีเนี่ยแง่มุมในการสอนต่างต่างๆมีมากจริงๆภูมิปัญญาของพระเจ้ามีมากจริงๆแิงอย่างในพระสูตรอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเมล็ดกรวดในะมเมล็ดกรวดขนาดเท่ามเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดเมล็ดเนะปรียบเทียบกับความทุกข์ของโสดบาบันที่ยังมีอยู่เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ของคุณเขาหิมาลัยนะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก เทือกเขาทั้งหมดเนี่ยเท่ากับความทุกข์ของส่วนที่สิ้นไปแล้วหรือความทุกข์ของปุถุชนธรรมดาซึ่งเราจะเห็นว่าเมล็ดถั่วมันขนาดนิดเดียวไม่ใหญ่เกิน1เซนตมรหรือครึ่งเซนติเมตรด้วยซ้ำเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดนะเมล็ดนะํามารวมกันมันก็ยังน้อยกว่าภูเขาหินไัยทั้งลูกอยู่มากนักหรือว่าในพระสูตรอื่น น, นก็เปรียบเทียบความทุกข์ของโสดาบันที่ยังมีอยู่ เ, เท่ากับเมล็ดติดปลายใบ ย, ยะขาน้ํา น้ำติดปลายไบายาคาไบยาคาเนี่ยมันก็จะมีขนใช่ไหมซึ่งมันจะเกาะน้ําได้บ้างแต่ก็ไม่มาก น, นี่เปรียบเทียบกับความทุกข์ของสุรบัณฑ์ที่ยังมีอยู่แต่ความทุกข์ของสุรบัณส่วนที่สิ้นไปแล้วหรือว่าของปุถุชนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับน้ําในสระที่กว้างในมีสระใบหนึ่งกว้าง50โยชนลึก50โยชนยาว50โยชนเนี่ยมีน้ําอยู่เต็มตน้ําในสระเนี่ยเท่ากับความทุกข์ของคนที่ยัง มีอยของผูตุชนนะหรือว่าความทุกข์ของโซลร์บอลส่วนที่สิ้นไปแล้ว1โยกก็12กิโลเมตรใน12บสงหรกิโลเมตรนี่แหละ ม, มันยาวมากห้านสะโยกันนี้ใหญ่มากใหญ่เป็นเท่ากับทะเลสาบให ญ, ใหญ่อันหนึ่งเลยละ่ะหรือในพระสุตอื่นนะก็เปรียบเทียบกับน้ํา 2-3 ถึงสามหยด ท, ยที่อยู่ในมือเนี่ยสอหยดน้ําหยดขึ้นมา2อหยดเปรียบเทียบกับแม่น้ําทั้ง5สายรวมกัน แม่น้ำห้าสายนี้มีอะไรก็มีแม่น้ํำคงคาแม่น้ําอัจจิรวดีแม่น้ําสารภูนะแล้วก็พวกเนี้ยเป็นลุ่มน้ําที่อยู่ในอินเดียตอนเหนือตอนตอนออกเนี่ยตอนตอ น, ตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยก็มันมากจริงๆนะหรือในบางพระสูตรเนี่ยเปรียบเทียบกับน้ํา 2- งสหยดเหมือนกันกับน้ําในมหาสมุทรทั้งหมดแต่น้ำแมในมหาสมุทรทั้งหมดเนี่ยโอ้โหประมาณไม่ได้เลยว่ากี่ลิตร ดนการเปรียบเทียบตรงนี้ผู้เชาเขาก็ทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างขึ้นมาหรือในพระสูตรอื่นอีกก็เปรียบเทียบกับเมล็ดผลกระบาเจเมล็นะมดนเมื่อเทียบกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดเมล็ดผลกระบาเนี่ยผลกระเบาก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าไอ้เมล็ดถั่วเขียวเท่าไหร่พอๆกันเลยนะเปรียบเทียบกับพื้นปฐพีเนี่ยโอ้โหพื้นปฐพีนี้ยิ่งใหญ่กว่ามากเป็นดินที่มีปริมาณมากกว่ามากนะักหรือในพระสูตรอื่นอีกก็เปรียบเทียบกับเมล็ดผักกาด นะต้นผักกาดเนี่ยมันจะโตมาจากมเมล็ดเนี่มนเมล็ดของมันเนี่ยเล็กมากจริงๆเท่าประมาณหัวเข็มหมุดเท่านั้นเองหัวเข็มหมุดที่บางท่านเคยเห็นเข็มหมุดที่เป็นหัวสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้นะหัวเข็มหมุดตรงนี้มันก็เล็กใหญ่กว่ามเมล็ดผักกาดด้วยซ้ําเมื่อเปรียบเทียบกับคุณเขาหิมาลัยนะไปเปรียบเทียบกับคุเขาหิมาลัยเพราะฉนั้นการเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพว่าโอ้โหความทุกข์ส่วน ที่ยังมีอยู่นี่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่สิ้นไปแล้วเพราะส่วนที่สิ้นไปแล้วเนี่ยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอนเนกชาติน้ำไม่ท่วนน้ำไม่ได้แต่สัส่วนที่เหลืออยู่นี่แค่นี้เองเจชาติอย่างมากันจึงทําให้เราเห็นภาพได้อีกประสุหนึ่งที่น่าสนใจที่ควรจะยกมาอธิบายนั่นคือมีครั้งหนึ่งที่พระรูญเจ้านั่งอยู่คนเดียวแล้นั่งอยู่คนเดีย ว, ยยวแล้วก็มีก้ารับบดีคนหนึ่งเป็นคารวาสนี่แหละเดินผ่านมา พระวาชาคนนี้นะโอ้โหหน้าตามันบูดเบี้ยวเศร้าโศกมากนะคิ้วก็ขมวดน้ําตาไหลขี้มูกเยิ่อหน้าตามบูดเบี้ยวแบบมีความทุกข์สุดๆเลยบางันเถอะพระราชาเห็นดังนั้นก็ถามว่าเอา้าขราพเจ้าเป็นอะไรทําไมหน้าตาถึงได้บูดเบี้ยวผิดปกติมีความเศร้าโศกอะไรมาเขาก็อธิบายให้พระเจ้าฟังว่าโอ้ยสมณะจะไม่เศร้าได้ไงลูกคนเดียวตายไปแล้ว ลูกน้อยคนเดียวที่น่ารักแนไดูตายเสียแล้ววันทั้งวันนะข้าวปาก็กินไม่ได้เลยาการงานก็ไม่เป็นอันธรรมแล้วก็ไปอยู่เนี่ยอยู่ต่อหน้าที่เผาลูกต่อที่เชิงตะ ก, กรนเนี่ยคร่ำครวญร้องไห้อยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนอย่างนี้เศร้าโศกมากลูกตัวเองที่รักที่พอใจเนี่ยตายตายอย่างนี้ก็เลยเศร้ากินข้าวก็ไม่ได้การงานก็ทําไม่ออกหน้าตาก็เศร้าโศกคิ้วก็ขมวด โอ้เป็นมีแต่ความทุกข์ว่างั้น er. ชเถอะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ฟังบอกว่าอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละก็รดิดีความโศกความร่ำไรารำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแก้นใจทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพอพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าความโศกเกิดจากของรักความทุกข์เกิดจากของรักความเศร้าใจเนี่ยเกิดจากของรัก บออย่างนี้พอพูดอย่างนี้ไปเนี่ยอิตากุอาบดีคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าฮึมความโศกเกิดจากของรักได้ยังไงความสุขตัางหาเกิดจากของรักความเพลิดเพลินยินดีตัางหาเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดบอกองนี้พอบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สนใจที่พระเจ้าพูดละก็เลยเดินหลีกไปนั่นเดินหลีกไปก็ไปพบพวกนักเลงสา ก, กานักเลงสา ก, กาคืออะไรสา ก, กาคือ ก, การเล่นมาก คล้ายๆกับหมารุกหมาก์กากฮอสอหรือถ้าใครเล่นโกเป็นก็เหมือนกับหมากโกนี่ที่เป็นตารางตารางแล้วก็มีตัวเดินเป็นแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างเงี้ยนะเป็นการเล่นที่เป็นการเล่นสมัยโบราณที่มีอยู่ในอินเดียแล้วก็ในอียิปต์เขาก็เล่นกันพวกนักเลงสกาเนี่ก็เล่นสกากันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นการที่กราบดีเนี่ยพอเดินหลิกออกไปจากพระพุทธเจ้าก็ไปเจอนักเลงสกาพวกนี้ก็เลยเล่าเรื่องที่พระพเจ้าบอกให้ฟังบอกว่า ความโศกเนี่ยเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพวกนักเลงสกาวว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงความรักต่างหากความสุขต่างหากเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี่ปลอบไปปลอบเจ้าเครือบดีคนนี้ปลอบว่าโอ้ไม่เป็นไรท่านความสุขต่างหากเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอย่างนี้ก็ปลอบลงกันไปแล้วก็คลายความเศร้าไปไหนแล้วก็เดินไปเห็นดีด้วยกันที่ยก ประศุดนี้มาให้ฟังเนี่ยเพื่อที่ต้องการชี้ประเด็นนี้ให้เห็นว่าเคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะไม่เข้าใจหมายความว่าคำนมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องทุนกระแสทุนกระแสของความอยากทุนกระแสของตัณหาทุนกระแสของกิเลสสิ silently, aky, Firstly, ่งที Zum, ento, ่ทําให้เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยคือตัณหาตัณหาคือความอยากความเพลิดเพลินกำนัดยินดีพอใจในสิ่งของนั้นความเพลิดเพลินกำนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้น ของที่ของสิ่งหนึ่งนะเป็นของชิ้นหนึ่งจะเป็นบุตรก็ได้เป็นภรรยาก็ได้เป็นรถก็ได้เป็นบ้านก็ได้เรามีของสิ่งนั้นอยู่ถ้าเรามีความยึดความพอใจเพลิดเพลินกำนัดยินดีในของนั้นเนี่ยความตรงเนี้ยจะนำความทุกข์มห้เราไม่ใช่ของนั้นนะแต่ความยินดีพอใจในของนั้นซึ่งความยินดีพอใจตรงเนี้ยอยู่ในใจของเราเนะีพื่อพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าของรักนี่แหละเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ เพราะของรักเนี่ยทำให้ตัณหามันเข้าไปยึดพอตัณหาเข้าไปยึดแล้วเนี่ยเราจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคลายคือตัณหาไม่ใช่เอาของไปทิ้งไม่ใช่เอารูปไปทิ้งไม่ใช่เอารถไปทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้คลายตัณหาที่อยู่ในจิตของเราตรงนี้ถึงจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยการรู้ธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะทําให้เราคลายตัณหาตรงนี้ไปได้ปัญหาในจิตของเราเนี่ยเริ่มลดลงไปลดลงไปเนี่ยจิตเราก็จะค่อยๆสบายขึ้นมีความทุกข์ ลดลงมีความสุขที่มากขึ้นพออธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ว่าอ๋อจุดประสงค์ของอพระสูตรนี้เนี่ยก็คือเพื่อชี้ประเด็นให้เห็นว่าสิ่งที่ละเอียดอยู่ในจิตนี้ยังมีอยู่คือต้นเหตุของความทุกข์นั้นคือตัณหาที่เราต้องแก้นะไม่ใช่แก้ที่ภายนอกแต่แก้ที่จิตของเราเพราะฉะนั้นในวันในวันศุกร์อย่างนี้ก็จะนําพระสูตรที่ คิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจต้องอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยจึงจะเข้าใจได้เนี่ยมาอธิบายให้ฟังในวันศุกร์จนพฤหัสเนี่เราก็จะยกให้เป็นเฉพาะพุทธวจนะล้วนๆแบบเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้คุ้นเคยกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวจนะแล้วก็ท่าท่านผู้ฟังมีคําถามในเรื่องใดเป็นการเฉพา ะ, ะก็ให้เขียนถามมาได้ที่รายการธรรมรัปรุณโดยส่งจดหมายหรือว่าเป็นใบสนียบัตดหรือถ้าสะดวกทาง คอมพิวเตอร์ก็ไปที่เพ e ยวธรรม a .com/prd p พ e ยว h ร m m a .com, pr com pr ท prd ซึ่งเป็นหนักสอย่อของทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็ให้เขียนกันเข้ามานะสงสัยจุดไหนถ้าถามแล้วจะคลายความสงสัยทำให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นได้ก็ให้ถามเสียก็จะนำช่วงนั้นรายการชิ้นนั้นๆเนี่ยมาคถามนั้นๆเนี่ยมาตอบในในวันเสาร์และวันอาทิตย์ไ้แต่วันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาถ้าท่านผู้ฟัง ได้ฟังธรรมะแล้วมีความลึกซึ้งเข้าใจก็จะทำให้มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นได้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในรียสัจทั้งสีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรุไว้ได้จเจริญพร